การให้ทานการรักษาศีลเนี่ยก็ดีแต่ว่ายังแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เราให้ทานใจเราก็ยังโกรธอยู่ยังมีเหตุของความทุกข์อยู่เรารักษาศีลแม้จะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่รักทรัพย์ใจก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เหมือนกันถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่แล้วก็ทุกข์มันก็ไม่ดับไม่อาจจะได้ความสุขชั่วคราว มีความปิติอีดีในทาตในศีลแต่ว่าแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ในใจไม่ได้คําสมาธิก็เป็นเพียงกดทับชั่วคราวไม่ใช่ไม่ดีนะดีทั้งนั้นเลยแต่มันอย่างว่าดีดีกว่าและดีที่สุดการภาวนาเนี่ยเรียกว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงถูกจุดคนเรานี่ไม่ใช่มีโรคเฉพาะ ไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวนะหรือไม่ใช่มีโรคเพราะว่าไม่ได้ให้ทานโรคในบางทีมันรุนแรงโรคบางอย่างนี่แค่ทานเนี่ยก็หายนะยาเนี่ยบดเมื่อทานก็หายโรคบางอย่างทานไม่หายต้องกินโรคบางอย่างทั้งทานทั้งกินแล้วยังไม่หายมันต้องมีการผ่าตัดมันถึงจะหายขาดอย่างทุกบางอย่างเนี่ยทุกที่เกิดจากกิเลสเนี่ยให้ทานรักษาสิ่งยังไม่เพียงพอต้องมีการภาวนา ภาวนาเพื่อจะตัดรากถอนโคนของความทุกข์การภาวนาก็คือการเจริญสตินี่แหละภาวนาแปลว่าทําให้เจริญทําอะไรให้เจริญน่ะทําจิตทำใจให้เจริญให้มีสติมากๆเพราะหนึ่งสติมันเจริญตื่นเจริญนั่นการเจริญสติเนี่ยเป็นวิธีการปฏิบัติที่แก้ปัญหาเรื่สารพัดโรคสารพัดยาสตินี่มีประโยชน์มากนะ เมื่อมีสติแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญญาสติธรรมดาที่เราไม่ได้ฝุกนะสติอิ่วข้าวสติม่วงนอนสติยิงนกสติตกปลาอันนี้เป็นสติตามจัตยานแมวก็มีแมวจับหนูมันก็ใช้เหมือนกันนะสติโดยธรรมชาติแต่สติโดยธรรมชาติเนี่ยมันดับทุกข์ไม่ได้สติที่จะดับทุกข์ได้นั้นต้องสติปฐานสติปฐาน อันเนี้ยดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเมื่อมีสติแล้วก็มันจะเกิดปัญญารู้บาสรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์รู้ไม่ใช่ประโยชน์รู้แล้วก็ปล่อยวางได้ไม่ยึดมัน่นถือมันอันนี้ประโยชน์สำคัญมากเมื่อมีสติเราก็จะรู้จักตัวเราเราไม่รู้จักตัวเราเพราะว่าจิตมันเผลอไปคิดในสิ่งต่างๆเนี่ยล อ, อยไปกับสิ่งภายนอกส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยขาดสติแต่ถ้ามีสติสติปัฏฐานนะ จะเห็นตัวฐานที่ตั้งของสติเลยคือกายคือจิตจะกลับมาดูตัวเราทันทีเลยถ้าดูตัวเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้จักตัวใครหรอกจะรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นเมื่อรู้จักตัวเราแล้วเนี่ยตัวคนอื่นเนี่ยมันไม่ยากแล้วคนเรามันมีธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนกันเรียนรู้ชีวิตอื่นจากชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อยากจะดูใจคนอื่นดูใจเราให้เป็นก่อนดูใจคนอื่นนะกี่เลก็ครอบงําเรา ถ้าดูใจเราเนี่ยโอ้จะเข้าใจใจคนอืน่นรู้เรารู้เขาไม่มีใครมารู้เขาก่อนแล้วมารู้เราหรอกมันต้องรู้เราก่อนโอ้เราอย่างนี้นะเขาก็ต้องอย่างนี้โดยธรรมชาติความรักเกิดขึ้นกับเราสึกยังไงถ้ารักเกิดขึ้นกับเขาก็รู้สึกเมื่อไรที่เราเหมืิดเหมือนกันความโกรธเกิดที่เราอย่างไงความโกรธอื่นก็เช่นเดียวกันเรียนรู้ตัวเราดูใจเราให้ถนัดดูมากๆเดี๋ยวจะรู้จักใจคนอื่น สติทําให้รู้จักตัวเราสติทําให้แก้ปัญหาชีวิตได้สําคัญเลยตัวประเด็นสำคัญเล ย, ตเ ส, เลยสติทําให้รู้จักแก้ปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตเกิดขึ้นที่อะไรไม่ใช่ที่ร่างกายนะร่างกายมันมีปัญหาแล้วมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายก็พิการไปตามเรื่องของธรรมชาติถ้าจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าจิตไม่ยึดมั่นร่างกายแล้วก็มันก็ไม่มีปัญหาทางจิตใจถูกไหม จะแกจะจิดแล้วก็ตามถ้าจิตไม่ยึดมันแล้วก็จิตก็ไปอิสระแต่โดยธรรมชาติแล้วมันไม่ไปเป็นอย่างนั้นเรามีกายมีจิตเราก็ยึดติดด้วยกันทั้งคู่ปัญหาสำคัญก็คือตัวยึดติดยึดติดกายจิตว่าเป็นตัวเราของเราอันนี้ปัญหาใหญ่เนี่ยอย่าเพิ่งปฏิเสธเชื่อไว้ก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะทำไมจะเป็นอย่างนั้นทำไมเราจะยึดติดเพราะมันเกิดความอยาก อยากให้มันสวยอยากให้มันตกอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นตัวเราจริงๆทั้งนี้ธรรมชาติบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เราก็อยากให้มันใช่มันก็เลยทุกข์ความยึดมั่นมาจากความอยากกนถ้าไม่อยากเราไม่ยึดหรอกคนเนี้ยฉันไม่อยากเจอหน้าเธอหรอกเธอไม่สวยเราก็ไม่อยากไปแสวงหาเขาแต่แล้วเราไม่ยึดติดะความอยากมาจากไหนออความอยากก็มาจากความคิดไง ถ้าไม่คิดมันไม่อยากเราไม่ใช่ร้องหลับดูสิเพราะไม่คิดมันจริงไม่อยากความอยากมาจากความอันนี้ไม่ใช่วิทยาการนะเป็นลำดับของยานยานที่คิดเอานะโดยธรรมชาตากวจะเป็นอย่างนี้นั้นแหละเพราะความอยากจึงเกิดความยึดเพราะความคิดจึงเกิดความอยากอย่างเช่นเวลาเราเกิดเรื่องของกามเนี่ยกามมาจากความคิดใช่ไถ้าไม่คิดนี่กามไม่มีนะ อย่างผู้ชายอยู่กับผู้ชายเนี่ยถ้าไม่มองเป็นการเนี่ยมันก็ไม่เป็นการนะถ้าคิดเป็นการเนี่ยผู้ชายผู้ชายก็เป็นการได้นะผู้ชายกับผู้หญิงถ้าไม่ได้มองเป็นการก็อยู่กันได้อย่างแม่กับลูกแต่ถ้าคิดเป็นการเนี่ยมันก็เป็นการได้เหมือนกันมาจากความคิดไหมถ้ามองไม่ใช่เป็นการแล้วก็ไม่เกิดเป็นการคนกับสัตว์เลี้ยงคนกับท่อปะปาอะไรเงี้ยมันก็อยู่การดําเน็จอยู่การมองแล้วมาจากไหนอ่ะ มาจากความคิดตามตึงมาจากความคิดกิเลสทั้งหลายมาจากความคิดั้งนั้นแล้วความคิดมาจากไหนความคิดมาจากไหนใครตอบได้ไปนิพพานความคิดมันก็มาจากจิตแต่เจถ้าไม่มีจิตจะไม่คิดหรอกแมวก็คิดนะแต่แมวตายไม่คิดอะความคิดมันมาจากมันมีสองแบบความคิดมาจากจิตที่มีสติคอยควบคุมอยู่ก็จะเป็นความคิดที่เป็นระเบียบ จะไม่คิดไปทางการจะคิดออกจากการจะคิดออกจากพยาบาทจะไม่เบียดเบียนอันนี้คิดด้วยสติเห็นไหมไม่ได้เป็นการแล้วแล้วมีความคิดอีกแบบหนึ่งซึ่งคิดแล้วเกิดเป็นการเกิดเป็นความโลภความโกรธความหลงอันนี้คือความคิดที่ไม่ได้เกิดจากสติค่อยๆถอยหลังมายังไงก็ต้องมาลงที่ตัวสตินั่นแหละถ้ามีสติความคิดไม่เกิด ถ้าความคิดเกิดแต่ได้ว่าขาดสติแต่ถ้ามีสติแล้วสติมันดับไปความคิดมันก็เกิดอีกนั้นความคิดมันจะเกิดปรุงแต่งเสมอเสมอเราก็ต้องมีสติคอยตามรู้มันเสมอเสมอเหมือนกันมันต้องประกบกันอาวุธที่จะรู้ทันความคิดเด่นต้องสติมันทันกันจึงต้องมีการเจริญสติไงเพื่อให้ทันจิตทันใจของเราให้รู้ทันความคิด ที่นำเอาเหตุของความทุกข์มาสู่จิตใจหรอมาลงในการเจริญสติตรงนี้เวลาเราขาดสติมันเกิดปรุงแต่งขึ้นมาเราก็ไปยึดติดว่าไอ้นี้เราเป็นผู้คิดเข้าไปอยู่ในความคิดเลยเอาความคิดเป็นเราเราเป็นผู้คิดทีนี้ความคิดเนี่ยมันไม่ใช่นำมาเรื่องอย่างอื่นมานะมันเอาตัวตนของเราเข้าไปด้วยตัวตนเกิดจากความคิดนะตัวตนเนี่ยกิดชากความคิดความคิดมั่นก็มาจากความคิดั้านั้นะ แล้วเราก็ขาดสติแล้วก็ไปเชื่อความคิดปรุงแต่งไปกับความคิดบาทีรู้นะโอนี่เราคิดแล้วนี่บาทียิ่งรู้ยิ่งคิดออกจากความคิดไม่ได้คิดที่ออกจากความคิดออกมาก็คิดอีกอ่ะคิดตอนคิดดับมันคิดเลยนะแล้วคิดครั้งแรกนี่ไม่พอใจมันไม่น่าคิดเลยใครสองคิดออกจากความคิดอันนี้ทุกข์หนักเขยิบเราคิดออกไม่ได้นี่โหดเลิกลางทุกทุกว่าทุกที่สุดออกไม่ได้ อ๋อทุกมากเลยแล้วบางคนรู้ว่าคิดใช่รู้คิดเนี่ยมันไม่ออกจากความคิดแบบคือรู้เข้าอยู่ในความคิดมันไม่ได้เห็นคิดอรู้กับเห็นที่มันต่างกันตรงนี้รู้ว่าเราคิดมันก็จะเป็นผู้คิดอยู่ถ้าเห็นคิดอ่ะเหมือนท่านเห็นผมเป็นคนพิการท่านก็ไม่ได้เป็นคนพิการอย่างผมแยกกันเลยแยกจิตออกจากอารมณ์แยกสติแยกความคิดออกจากจิตนี่คือการเห็น ถ้าการรู้นี่มันเข้าไปอยู่ถ้เห็นนี่มันจะเป็นผู้ดูและปัญหาเนี่ยปัญหาที่เราก็คือว่าเราขาดสติแล้วก็หลงไปกับความคิดแล้วพอคิดนหนักเข้านี่แม้จะคิดดีก็ตามนะเริ่มต้นทํนแรกจะดีนะแต่ลองดูเถอะเราเสพไปสักหน่อยนองโอทุกมาแล้วความทุกข์จะมาความคิดทันทีเลยแล้วมันก็เลิกไม่ได้เดี๋ยวบาทีมันเสพจนอยากออกไม่ได้แล้วมันเป็นการสร้างความเคยชิน ที่จะคิดคิดคิดเราไม่เคยสร้างความเคยยินดีจะมารู้สึกตัวมันก็ตัดความคิดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้บางคนหลงไม่ต้องนานเราคิดไปนานครูโอนี่เราคิดนี่โอ้นี่เราคิดเนี่ยหลงมาตั้งนานนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่แปลกนะคนที่เป็นอย่างเงี้ยไม่แปลกหรอกเป็นเรื่องธรรมดายอย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจดีและวที่เรารู้ว่ามันเป็นปัญหารู้จักปัญหาเนี่ยจะออกจากปัญหาได้ ต้องมีการเจริญสติหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเป็นปรมาจารย์ในการเจริญสติท่านมีหลักในการปฏิบัติได้เป็นอุบายวิธีที่จะเอาชนะความคิดได้เนี่แยกคลายมากท่านให้ทําความรู้สึกตัวประเด็นสาคัญคือให้ทำความรู้สึกตั ว, ค, ค, ว, ตวคือให้เจริญสตินเจริญสติให้มากๆนี่แหละเอากายที่มันเคลื่อนมันไหวนี่แหละ ดูกายที่มันนั่งก็รู้สึกมีสติอยู่กับการนั่งการนอนการยืนการเดินก็มีสติรู้ในอิเลียบทใหญ่เการเดินจงกรมท่านก็รู้คะแนนให้รู้กายในอิเลียบทใหญ่อีเียบทย่อยจะกระพิบตาจะอ้าปากกลืนน้ำลายเหลีวซ้ายแลขวาจะจับจะช่วยให้มีสติตามรู้ในอีเียบทย่อย อันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตจำมันท่านก็มีรูปแบบในการเคลื่อนไหวมือไปนจังหวะสีิสจังหวะอย่างที่เราเคยปฏิบัติกันเรียกว่าจงกลมมือก็ได้เคลื่อนไหวมืออย่างมีสติตามรู้คลิกมือรู้สึกยกรู้สึกเอามือเข้าก็รู้สึกรู้สึกทุกครั้งที่มือเคลื่อนไหวเนี่ยมีสติรู้ในความรู้สึกที่มันเคลื่อนมาดูเสลย์นะ รู้สึกรู้สึกนะไม่ใช่รู้แบบเข้าไปอยู่ในมือนะถ้าเข้าไปในมือเราก็ต้องเคลื่อนเป็นอย่างนี้ไปตามมือให้เป็นแค่ผู้รู้มือเคลื่อนไหวไม่ใช่ผู้เข้าอยู่ในมือเคลื่อนไหว <m ul ass ceramic> คือไม่ได้ไปเพ่งไม่ได้ไปจี้ไม่ได้ไปจับรู้แตะแตะรู้แต่แตะเห็นไหมรู้พร้อมที่จะปล่อยมือได้ถ้าไปจับนี่เราเข้าไปเป็นมือนลําบากนะมือมันต้องแก่ต้องตายนะเราแตะไว้อาศัยมันรู้รู้รู้แบบดูดูแบบไม่เข้าไปอยู่ ไม่ต้องเพ่งจิตก็จะสบายมันจะผ่อนคลายในการจุนี่คือรูปแบบที่ใช้ปฏิบัติทําไมต้องอใสยรูปแบบในการเคลื่อนไหวของกายด้วยคือท่านจะให้สตินี่มันจเจริญให้จิตเนี่ยมันเคยชินที่จะมารู้สึกรู้สึกกันไว้แทนที่จะจิตมันจะไปกับความคิดให้มันสร้างความเคยชินแบบใหม่ให้มารู้ที่กายเคลื่อนไหวว่าเพราะกายมันไม่คิดหรอกไอ้ที่คิดมันไม่ใช่กาย อย่าเพิ่งไปยั่วความคิดท่าไม่ให้สนใจความคิดมารู้กายให้มันชํานานสักก่อนพอสติมันตื่นรู้แล้วเนี่ยมันก็จะไปเห็นความคิดเห็นจิตเห็นใจถ้าจิตไม่ตื่นเนี่ยมันไปเห็นความคิดยากมันกลายเป็นผู้คิดให้ตื่นรู้สักก่อนแล้วก็จะไปเห็นความคิดไม่ได้เข้าไปอยู่ในความคิดถ้าแม่สอนให้ห้ามความคิดนะไม่ได้สอนให้หยุดความคิด ลอมันคิดไปเราก็คอยรู้กายแล้วก็รู้จิตที่มันคิดรู้แล้วเป็นไงแล้วทิ้งเลยไม่วิพากษ์วิจารณ์ว่าคิดอะไรเรื่องอะไรดีไหมไม่คิดไม่วิจารณต่อไม่หารายละเอียดไม่หาเหตุรับผลเหนคิดแล้วทิ้งเลยเน้นให้มีความรู้ตัวไปกับกายเคลื่อนไหวและวก็ลู้จิตใจที่มันคิดมันนึกเนี่ยหลักการของท่านอาศัยรูปแบบง่ายไหม ผมนี่ยกมือไม่ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยยกได้ข้างเดียวอาศัยยกไม่ได้ก็เนี่ยอาศัยรู้สึกตัวแบการเคลื่อนไหวไอ้ความพยายามที่จะทำเนี่ยมันทําให้เรามีสติเหมือนกันนะทําให้มีสติมีสมาธิมีความเคยจินที่จะเพียรถ้าไม่พยายามทํานินมันก็เคยจินที่จะไม่เพียรมันจะท้อทําไปก่อนสร้างความรู้สึกตัวไปก่อนแล้วมันก็จะมาเห็นส่วนละเอียดของร่างกายเห็นทุกข์ของกายเห็นทุกข์ของจิต เห็นรูปเห็นนามตามแบบอาศัยรูปแบบก็เคยได้พูดคุยกับญาติธรรมก็มาคุยกันละ่ะคนมีทั้งผู้เก่าผู้ใหม่มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องบรรลุธรรมเนี่ไม่ค่อยได้พูดกันหรอกเพราะคนที่กล้าบรรลุธรรมเนี่ยเขาไม่ค่อยมาคุยกับผมคนที่มาคุยกับผมมักมีปัญหาเรื่องธรรมบ้าก็ยินดีนะชอบคุยคนมีปัญหา มันจะได้โชคดีว่าเราไม่มีปัญหาเออก็มีปัญหาเราดีกับเขาหน่อยอะไรอเงี้ยนะปัญหาที่ได้พบประจําก็คือจิตระทึกแล้วจิตมันฟุง้งมันฟุง้งมันคิดมากเหลือเกินคิดจะเป็นบ้าได้เลยว่าไปฏิบัติยังไงมันคิดมากแล้วนะรูงง้ว่าคิดนะแต่มันออกไม่ได้มันติดอยู่ในอารมณ์ติดอารมณ์ออกไม่ได้ไม่มีเทคนิคนอนไม่หลับมันฟุ้งมากจิตระทึกยังไงนอนไม่หลับ มันฟุ้งมากแล้วมันก็หลงนานมากสติไม่เคยเกิดขณะพยายามตื่นเช้าวันนะ้เอาวันนี้เราจะมีสติพอเสร็จแล้วก็ไปทําอะไรกันไม่รู้ทั้งวันนะก่อนจะนอนโอ้สติคึ้มเกิดตอนก่อนจะนอน <c oughs> โอ้หลงไปยาวเลยนะหลงไม่นานเลยไี่ทํายังไงโอ้ดีแล้วที่เรารู้ว่ามันหลงดีแล้วดีแล้วเรารู้ว่ามันฟุง้งดีแล้วดีแล้วเราถูกแล้วอันนี้นายเห็นใจ บอกแล้วคุณทํายังไงนะ่ะก็เจริญติไปเรื่อยเจริญยังไงก็ดูบ้างดูจิตดูอะไรต่าบอได้ดูจิตไปเรื่อยๆแล้วดูจิตทํำไมถึงฟุ้งอ่ะบอกอันนี้ไม่ใช่ดูจิตนะเขาเรียกว่าคิดว่าเราดูคุณไม่ได้ดูคิดคุณคิดว่าคุณดูถ้ามีการดูเนี่ยมันต้องก็มีการเห็นเมื่อมีการเห็นก็มีการเกิดดับใช่ไหมโอ้นี่เข้าไป เขาไปเล่นเขาไปเกิดดับดูละครก็ไปอินกับละครไม่ได้ดูละครทีวีถูกแล้วคุณตั้งใจดูจิตเนี่ยแต่คุณต้องมีหลักมีหลักในการดูต้องรู้ให้เป็นก่อนถ้าไม่มีหลักเนี่ยคุณดูไม่ได้แล้วคุณจะล้มต้องมีหลักในการดูในการรู้ต้องทำให้เป็นก่อนทำยังไงให้จะมีหลักอันนี้สาคัญมากใจคุณยังไม่เป็นกลางคุณยังไม่รู้เลยว่า สติคืออะไรอันนี้ไม่ความหมายนะสติมีสภาพมีสภาวะอย่างไรจิตเป็นอย่างไรคุณไม่เห็นงูแล้วคุณจะไปจับงูได้อย่างไรคุณต้องรู้จักงูก่อนคุณต้องรู้จักจิตรู้จักความคิดก่อนคุณมีลูกไหมบอกมีคุณรู้จักลูกหรือยังแล้วคุณจะเลี้ยงลูกอ่ะต้องรู้จักลูกเข้าใจธรรมชาติของลูกก่อนแล้วลูกจะหลอกคุณไม่ได้หรอกถ้าคุณแม่เข้าใจธรรมชาติของลูกคุณนี่ คุณก็ตกหลุมถูกลูกคุณหลอกล่ําไปคุณมีสามีไม่มีทุกวันนี้ถูกหลอกไหมผูกคุณไม่รู้จักธรรมชาติของสามีคุณว่าเป็นยังไงถ้าคุณรู้จักเนี่ยโอ้เขาหลอกคุณไม่ได้หรอกคุณจะไม่เป็นทุกข์เพราะสามีแล้วทำยังไงอ่ะอ่ามันก็ต้องมีการปฏิบัติใหม่อย่างคุณเนี่ยต้องมีรูปแบบสักหน่อยมีรูปแบบให้ติดมันเกาะทุกวันเนี่ยติดคุณไปเกาะ กับสิ่งที่ไม่ใช่รูปแบบคือไปก่อความคิดไปก่อความหลงมันก็ไปความหลงนี่แล้วเกาะอะไรก็ไปกับสิ่งนั้นคุณต้องมีหลักให้จิตมันตั้งให้สติมันตั้งมัน่นอะไรเป็นหลักนะก็คือกายไนงะอาศัยรูปแบบไปก่อนอาศัยรูปแบบของการปฏิบัติเอากายของเราเนี่ยเป็นรูปแบบไอ้จิตมันเกาะ อ, อยู่กับกายก่อนให้มันชนานาญ ให้รู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวของกายในอิริียบทธรรมดาๆรร น, นอนนั่งยืนเดินแล้วก็การคู้เหยียดก้มเงยต่างๆมันไม่ทันอ่ะไม่ทันมันต้องมีการเคลื่อนไหวบ้างอาศัยการเคลื่อนไหวเป็นรูปแบบปฏิบัติในเวลาที่เรามีเวลาของตัวเองนะลองฝึกให้จิตมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายฝึกให้มันเคยชินที่จะกลับมาอยู่กับรูปแบบถ้าคุณมารู้กายเคลื่อนไหวไบ่อยๆเนี่ย จิตมันก็หลงกันนะแต่จะหลงไม่นานมันมีที่กลับมันเคยที่เนี่ยกลับเหมือนเรามีบ้านอยู่เนี่ยเราไปไหนก็ตามเดี๋ยวก็กลับมาบ้านเรามันไปได้ไม่นานเมื่อค่ํากลับมาบ้านเราจิตมันหลงไปไม่นานหเดี๋ยวมันก็กลับมาอยู่กับกายไแล้วมันหลงไปแล้วมันกลับถูกที่มีที่กลับบางทีเรารู้นะว่าติดอารมณ์แต่ออกจากอารมณ์ไม่ได้ถ้าเรามีรูปแบบดูกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีที่ให้กลับมา หลวงพระ t e บอกว่ายาอยู่นิ่งๆให้เคลื่อนไหวไว้ให้มีสติเกาะไว้รู้ไว้อย่าอยู่นิ่งๆเดี๋ยวจิตมันจะหลงจะเผล อ, อเพราะเผลอปั๊บมันมีที่กลับมาถ้าเราไม่มีหลักเกาะเนี่ยพเผลอปั๊บมันกลับไม่ถูกเลยจะมาเริ่มต้นไหนดีเพราะนั่งการปฏิบัติเนี่ยถ้ามันมั่วไม่รู้อะไรแล้วก็กระดิกนิ้วเล่นรู้สึกให้มันกลับมา่ก่อนนะฝึกให้มันกลับมาก่ก่อนให้มันเคยจินให้มย์เคยจินที่จะกลับมารู้ที่กายอันนี้เป็นหลักเป็นกฎ แล้วก็ว่าได้เพราะจิตนี่มันจะไม่ทิ้งกายไปไหนจิตจะทิ้งกายต่อเมื่อร่างกายมันจะแตกมันจะไม่สนใจกายแล้วจะเวทนาปวดหนักแค่ไหนมันจะไม่สนใจแล้วมันสนใจแต่ว่ามันจะเกิดเป็นอะไรต่อไปถึงเก่าจะตายไม่ต้องกลัวแล้วโอ้มันปวดมากเจ็บมากเลยจะทนได้ไหมทนได้มันจะทิ้งกายแล้วกลับไปอยู่กับอารมณ์ที่มันเรียกว่ากรรมนิมิตคตินิมิตโอ้จะเกิดเป็นอะไรดีเลือกหาภพชาตินะ ถ้าขาสตินี่มันจะเลือกลงีนช่องไหนนะท้อันทีมีสติไว้เนี่ยถึงเวลาในปล่อยวางกายได้ไง่ายๆตอนนี้เพิ่งปล่อยนะดูแลเขาไว้ก่อนฟังแล้วยาลีปล่อยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนนี้ผมก็นาดโสมยังดูก่อนนะอย่าเพิ่งทิ้งกายเป็นไหนดูมันก่อนอาตายมันข้าฟังปริพันก่อนถึงเวลาแล้วค่อยปล่อยมันถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันอาศัยกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันมีที่กลับมาทำไมเราจึงฟุง้งเพราะไม่อยู่กับปัจจุบันใช่ไหม ไอ้ที่ฟุ้งเนี่ยไม่ฟุ้งเรื่องปัจจุบันเลยฟุ้งเรื่องอดีตอนาคตทั้งนั้นเลยการมีสติมาเกาะกายไว้เนี่ยนี่คือปัจจุบันที่สุดเลยอยากอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเอากายเป็นอารมณ์เขา ง, งานปฏิบัติไม่ใช่อยู่ในกายนะเอากายมาเป็นอารมณ์เอากายมาสิ่งที่มาเป็นสิ่งที่ให้เรารู้มันจะเป็นปัจจุบันมากรูปนามจะเกิดขึ้นในตรงที่กลับมารู้กายนี่แอันนี้คือประโยชน์รู้ไปก่อน พวกนี้ก็เคยนะเคยปฏิบัติเมื่อเริ่มต้นศึกษาธรรมะใหม่ๆอยากจะปฏิบัติทำอยากจะเจริญสติอา่านหนังสือมามากอ่านมันก็ดับทุกข์ไม่ได้สักทีาการอาร่านหนังสือมากทําให้เราค้นทุกข์ได้นี่โอ้ยผมเป็นอลนัลรหันต์นานแล้วอ่าแล้วมันอย่างเราจะหลุดพ้นเลยนะเคยไหมโอ้เราหลุดพ้นเราไม่มีทุกข์แล้วสักพักเดียวเดี๋ยวอารมณ์มาแนละ้ว อารมมาสอบนะตกทุกทีแต่ว่าการอ่านนี่มันรู้ทาไม่ได้ก็อยากจะปฏิบัติก็ลองหลับตาใช้คำบริกรรมพอหลับตานอกมันก็หลับข้างในหลับแล้วก็ไหลไปเลยนะดับทุกได้แล้วนิพพานนตอนหลับตื่นมาก็โอ้ยังพิการเหมือนเดิมทุกหนักกว่าเดิมโอ้ธรรมะนี่ มีไว้ให้เราหลับได้ไงเราจะดับทุกได้ใช่ไหมตอนเราหลับยังไงไอ้สักวันถ้ามันไม่หลับจะทํำยัง ไ, ไงมันก็คิดเออลองลืมตาดูลืมตานอนนิ่งๆลืมตามันลืมข้างนอกแต่มันก็เผลอข้างในมากข้างนอกเนี่ดูสงบแต่ข้างในนี่โอ้โหวุ่นวายมันไม่ใช่น้ําไหลนิ่งนะมันน้ำไหลขุ่นข้างนอกดูสงบแต่ข้างในงนี่ฟุ้งซ่านวุ่นวายมันทุกข์อยู่ข้างใน ไม่ใช่กรรมฐานไม่ดีนะหลับตาก็ได้จะบริกรรมอะไรก็ทําไม่ถอะถูกทั้งนั้นแต่เจ้าหล็กอย่างเรานี่มันไม่เหมาะคนมันอยู่ในชีวิตที่ต้องนอนทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยทำกรรมฐานแบบหลับตาเนี่ยมันอันตรายมากมันใกล้กับการที่จะนอนหลับไปมากแล้วการทำกรรมฐ า, ามันต้องเดินจงกรมและเรามันเดินไม่ได้ชีวิตใหมยย่ของเรามันไม่เดินชีวิตก็ให้พักผ่อนเดินไม่ได้ แล้วนั่งก็ได้ไม่นานเ้าจะทํำยังไงมันก็ท้อมกันนะมันหาทางออกไม่ได้ก็ลองฝึกอ่านของหลวงเทียนเนี่ยโอ้หลงวงเทียนสอนให้ยกมือเคลื่อนไหวเราไม่ยกยกไม่ได้เดินจะกมเราไม่เดินเอ้ยดูจิตได้เนี่ยโอ้ดูจิตเราก็มีนอนนอ น, นอนดูจิตสบายเลยไม่ต้องไปเดินให้เมื่อยเลย <laughs> นอนเตรียมตั้งท่าจะดูจิตในวันนี้นะอ่านหนังสือหลวงเทียนหลักของกรรมฐ า, านวางไว้ข้างหมอนหลักวางไว้ข้างอ่ะเดี๋ยจะดูจิตเรา เริ่มดูจิตตั้งแต่หัวค่ำตีสยังดูไม่จบเลยเรื่องจิตไม่จบเรื่องจิตโอ้จิตนี่มันดูแล้วไม่จบไงถ้า ม, มีผลคือมึนสีสะปวดหัวฟุ้งซ่านท้อแท้มันคงจะทำไม่ได้แล้ะดูจิตยังดูไม่เป็นไม่มีหลักในการดูจิตยังไม่เป็นกลางคิดว่าเราดูจิตมันเป็นแค่ความคิดมันฟุ้งมันท้อถอยท้อแท้ในการปฏิบัติ แต่มันโชคดีอย่างนะที่ผมมันไปไหนไม่ได้พอผมไปไหนได้นี่ผมไม่กลับมาดูแล้วเลิกดีกว่าไม่เอาแล้วไปไปดูมวยดูบอลดีกว่าอมันมันกว่าดูจิตดูตัวร้อนก็เครียดเนี่ยดูโชคดีที่มันไปไม่ได้อ่ะมันต้องหาวิธีใหม่ต้องหาวิธีเป็นแบบของเราใหม่ก็เลยโชคดีที่ได้หลวงพ่อคำเขียนนั่นก็สอนวิธีการเจริญสติเนี่ยพระมาปโปรดเลยกัลยะาณมิตร การปฏิบัติธรรมมีสําคัญนะได้ที่สงบสะอาดวิเวกอาหารครบพรอบ้อมแต่ถ้าขาดกัลยะาณมิตรครูบาจารย์แล้วก็มันมีโอกาสที่จะผิดทางไนดะ้บางทีรู้รู้วิธีการปฏิบัติมากมายแต่ขาดครูบาจารย์หรือกัลยาณมิตรให้กําลังใจบางทีท่านก็ไม่ช่วยวเรามากมายแต่ถ้าเราสมัครตัวเป็นสิทธิ์หรือเคารพท่านเนี่ยเราก็มีความสบายใจมีกําลังใจ ผมเขียนแนะนําให้เจิระเสติให้นอน อ, อนอนจระเสตินอนลืมตาเนี่ยไม่ต้องไปวัดหรอกนอนพลิกมือเล่นเนี่ยเนี่ยพลิกมือรู้สึกให้รู้สึกนะไม่ได้เข้าอยู่ในมือนะให้รู้สึกกับการเคลื่อนไหวรู้แนวการที่มันเคลื่อนเคลื่อนไหวๆตึงๆหนักๆไม่มีคําพูดมันมีแต่สภาวะที่มันรู้สึกนอนพลิกมือเล่นอย่างเงี้ย ให้เรารู้สึกให้รู้กายเคลื่อนไหวแล้วเวลามันเกิดความคิดทํายังไงให้รู้ว่ามันคิดนะอย่าไปความคิดนะให้รู้ว่าความคิดแต่อย่าไปความคิดแล้วก็ทิ้งมันแล้วกลับมารู้กายเคลื่อนไหวไม่มาก็ใช้แบบนี้มันคิดปั๊บโอ้ทิ้งเลยกลับมารู้กายเคลื่อนไหวมันคิดอีกทิ้งอีกกลับมารู้กายเคลื่อนไหวต่อไปมันคิดปั๊บไม่ต้องกลับมาแล้วมันดับเลยพอรู้ปั๊บมันดับเลยไม่ต้องกลับมาแล้วพอจัดการตรงนั้นได้เนี่ยไม่ต้องกลับ นี่พอไม่กลับมันก็เซิร์เดี๋ยวไปไหนทีอ้อรู้แล้วไม่กลับมาสติมันก็มีนะแต่ด้วยความกระจินอ๋อกลับมาก่อนเพื่อตั้งหลักแล้วต่อไปนี่ไม่ต้องกลับมาหรอกพอรู้สึกแล้วมันจะเห็นสามส่วนเลยเห็นความคิดพอความคิดดับปั๊บกลับมาเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วกลับมาเห็นตัวเจ้าของคือสติเองเห็นไหมมันเกิดสภาวะทำสามอย่างที่ไม่ใช่พร้อมกันทําไปเรื่อยๆเนี่ย เห็นความคิดทิ้งมันแล้วกลับมารู้กายเคลื่อนไหวทําไมตมามันเห็นอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเห็นว่าไอ้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันอยู่ข้างนอกจิตที่รู้ยังอยู่ข้างในเนี่ยไอ้กายเคลื่อนไหวมันอยู่ข้างนอกจิตที่รู้นี่มันรู้จุดรู้มาจากข้างในไม่ใช่รู้ที่มือนะรู้ออกมาจากข้างในแต่เห็นสิ่งที่ถูกรู้นี่เคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นอารมณ์ของรูปนามเลยนะเกิดญานปัญญา สายรู้กายไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันเห็นความคิดไม่สนใจความคิดเอ้าวเไม่เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งที่มันเพื่อนมันไหวเห็นจิตที่มันรู้อยู่ข้างในเห็นไหมเริ่มเห็นจิตโดยที่ไม่ได้ดูจิตเลยนะรู้จักตายรู้กายมันกลับไปเห็นจิตได้แยกรูปแยกนามจิตมันตื่นนะพอจรติตมากๆเนี่ยความสู้สตัวมากขึ้นความหลงค่อยๆลดลงมาเองโดยธรรมชาติไม่ต้องไปไล่ความหลงแค่สร้างเพราะที่รู้ขึ้นมาม า, มากๆ หลงมันก็หายไปเห็นรูปเห็นนามเห็นทุกของรูปทุกเวทนาที่เกิดจากรูปเห็นทุกของนามเห็นทุกเวทนาที่เกิดจากรูปอะไรที่เกิดจากทุกเวทนาคือความคิดใช่มะไม่พอใจมันไม่น่าอ๋อนี่ความคิดเนี่เห็นความคิดที่เกิดต่อจากเวทนาทำเรื่อยๆต้องทำต่อเนื่องนะไม่จะทามาตกมื อ, กแ อ, แอแล้วเอาละพอละดูทีวีต่อ อารมณ์ไม่ต่อเรื่องนะเดี๋ยวกิเลสมันมาเขาแทรกเลยรู้ว่ามันต่อนเนื่องมันจะเห็นว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันมาจากไหนเห็นจิตที่มันผลิตความคิดขึ้นมาเห็นตัวจิตเองไม่ใช่เป็นตัวนะสภาวะที่รู้แล้วก็คิดออกมาเห็นตัวผู้รู้เองเริ่มจากรู้กายเนี่ยไปเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นจิตเท่ากับเห็นธรรมะ เริ่มจากเบสบิกเดือนนี้เห็นบ่อยๆเนี่ยทุกมาก็จางคลายมันคลายตรงไหนคลายเพราะว่าเรากลายเป็นผู้เห็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าไปอยู่ไปเป็นถ้าเราเห็นความคิดโดยที่ไม่เข้าไปเป็นผู้คิดจิตเราก็จะผ่อนคลายถ้าเราเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเราไม่ได้เป็นกายใจแล้วก็เบากายนี้มันหนักนะยินเดินไม่ได้นี่หนักมากเลยเพอเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นเนี่ยจิตมันก็เบาเบาแบบรู้ ทำใบธมรมการคนคีดเกียดคิดเพราะความคิดมันนาเหตุความตัวมันคิดเกียดคิดคีดเกียดคิดไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่คีดเกียดคิดแต่ไม่คิดเกียดรู้รู้ทุกครั้งมันออกจากความคิดถ้าไม่อยากจะคิดเราก็ขยันรู้โอ๋ได้หล่ะทุกก็คลายไอ้ความพิการเป็นเรื่องเล็กไอ้ที่พิการเดินไม่ได้เนี่ยมันก็มีค่าระคั่สิวหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองมีค่าเท่ากันมันคือเรื่องของกายยกให้กายไปลาออกจากความพิการ มาอยู่กับความรู้สึกตัวทุกข์ก็ลดเรื่อยๆเห็นไหมจากการที่เหตุนะเหตุเกิดจากจิตที่มันคิดแล้วก็ปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นด้วยความหลงหลสติแต่มีสติล่ามันเห็นเหตุของความทุกข์แล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรไม่ไปตามทั้งนันนิสัยเราเคยเชื่อความคิดเดี๋ยวนี้เราไม่เชื่อความคิดเราจะไม่เชื่อเรื่องคิดเกียดคิดทุกวันนี้คิดเกียดคิจะคิดเกลียดคิตจิตเราค่อยๆเบาสบายผ่อนกาย มันก็มีความสุขแบบช่วยไม่ได้อ่ะบางคนยังหน้าทุกข์หน้าเศร้าอยู่นิดต้องเปลงใจกันบ้างนะมันลาสมัยแล้วไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเศร้าเพราะฉะนั้นการปฏิบททัติธรรมบางทีต้องอาศัยรูปแบบถ้าคนที่ไม่ต้องมีรูปแบบนะถ้าทําได้ทําไปเถอะถูกแล้วดีแล้วล่ะอยู่กับชีวิตประจําวันแบบรู้ตัวดูจิตดูอะไรดูไปเถอะดีแล้ว ธรรมะสูงสุดต้องมาดูที่จิตจากการที่จิตดับทุกข์ดับไปที่จิตบรรลุธรรมที่จิตใจดูได้ดูไปเลยถ้าดูแล้วเครียดแล้วทุกข์เนี่ยกลับมาดูกายกนยังไม่ตายเกินไปให้อภัยกลับมาเริ่มต้นใหม่ขึ้นต้นไม้อ่ะขึ้นทีเดียวถึงยอดนี่มันอันตรายต้องค่อยๆตายทีละก้าวเนี่ยตายไปสักพักหนึ่งให้เคยจินให้แข็งแรงพอถึงกิ่งก้าสาขาค่คอยๆตายออกไปใช่ไห ใจเย็นเริ่มต้นจากเบสิกพื้นฐานเคาจะว่าเราเต่าเราช้าไม่เป็นไรเราเต่าเดินแบบมั่นคงดีกว่าก็ตายไปแล้วหลับตกมาตายค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปใครดูจิตได้หรือไปแบบรมแบบปกติธรรมดาโดยธรรมชาติได้ดีแล้วการไปปฏิธรรมเนี่ยมันต้องอาศัยรูปแบบในบางครั้งเมื่อเราอาศัยรูปแบบจนชนะแล้วเนี่ยสติมันตั้งมั่นมั่นคงแล้วเนี่ยเพราะวามั่นคงนี้ไม่ใช่ไม่ดับนะคือเกิดบ่อยๆเกิดบ่อยๆ แตี่จะดูอะไรก็ได้ดูกายก็ได้ดูความคิดก็ได้ดูจิต ก, ก็ได้ดูเสียงดูรูปมันจะรู้ไปเองขอให้สติมันจเจริญซะก่อนแล้วเขาจะทําหน้าที่ใช่หไหมอย่างไฟเนี่ยมันดับอยู่เนี่ยมันมองแล้วมีเห็นหรอกพอเปิดปั๊บไม่ต้องบอกไฟมันทําที่สว่างสว่างให้เรามองเห็นเริ่มต้ น, นถ้าใครทําท่าจะไปไม่รอดนะกลับมาเริ่มดูกายเริ่มเบสิกจากรูปแบบนะครับแล้วต่อไปเนี่ยเราค่อยๆวางรูปแบบ ไม่ต้องมีรูปแบบก็ได้เพราะการปฏิบัติชั้นสูงสุดนั้นไม่มีรูปแบบไม่มีรูปแบบไม่มีคนเข้านิพพานไม่มีใครมีแต่สติปัญญาเท่านั้นที่จะถึงธรรมะไม่มีใครถึงธรรมนอกจากทํานั้นที่จะถึงธรรมทอสลามธรรมกับทอรอ์รอรอมถึงธรรมไม่มีคนนะมันไปไกลแต่ตอนนี้ต้องอาศัยอย่างนี้สรรูปแบบไปก่อนเพราะนั้นการเจอสติเนี่ย อย่างที่เราทําอยู่เนี่ยดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกเนี่ยเราสามารถนําเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมเราริ่งวิธีเนี่ยไม่ต้องหลับตาไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากไม่ต้องหลับตาเรารู้ได้ทันทีเลยทุกั้รที่กลายเคลื่อนไหวถ้าเรารู้กายได้รู้เลยถ้าสติมันไม่เกิดถ้าจิตมันคิดก่อนรู้ติดก็ได้อะไรเกิดก่อนรู้ก่อนนั่นแะหละคือฐานที่ตั้งของสติ ถ้ามันมั่วไม่รู้จะรู้อะไรก็มารู้กายไว้ก่อนบางทีมันมั่ว น, นะะไอ้นั่นก็รู้ได้ไอ้นี่ก็รู้ได้ไม่จะรู้อะไรดีมั่วรู้กายก่อนอ่าดูกายตั้งหลักเดี๋ยวค่อยไปเห็นแนวคิดต่งในกายนีนมีหลายอย่างในกายในมีทั้งเวทนามีทั้งความคิดมีทั้งความง่วงมีทั้งความเบื่อมีทั้งความเจ็บมีทั้งนั้นมีให้เราดูทั้งนั้นหลวงพ่อคำเขียนมาว่ามันมาเข้าแถวให้เราดูเลย เกิดตรงไหนก็รู้ได้หน่อยรู้เลยในชิวจำมันเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะคนที่ทํางานการทํางานเนี่ยมีทั้งกายมีทั้งจิตใช่ไหมส่วนมากนี่ยเรามังจะลืมกายแต่ไม่เป็นไรนะถ้าลืมกายเมื่อไหร่ก็อย่าลืมจิตเพราะเวลาเราเสพกับงานนี่มันเพลินกับงานนะมันคิดเพลินบางทีมันเพลินไปกับงานเลยกายเวลามันเหนื่อยเราก็รู้ได้ แต่จิตเหนื่อยนี่เราไม่รู้กายเหนื่อยนี่มันก็หยุดก็หายแต่จิตเหนื่อยนี่บางทีเราไม่รู้เคลืนไปจ ก, การคิดดีคิดดีก็เหนื่อย น, นะถ้ามีสติรู้ว่าอ๋อนี่มันคิดเนี่ยมันก็ตัดความคิดได้ชั่วขณะหนึ่งจิตก็ได้พักผ่อนแวบหนึง่งเดี๋ยวเมื่ก็คิดอีกนะเราเคยมีสติรู้เนี่ยเวลามันคิดรักอ๋อเนี่ยจิตเรามันคิดรักความคิดแล้กวก็าหายไปคิตได้พักผ่อน เวลามันคิดโกรธอ๋อสติก็รู้ว่าอันนี้มันโกรธเนี่ยนะจิตมันก็หายโกรธไปชั่วขณะหนึ่งเพราะมีสติคอยรักษาอยู่ทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นพอใจหรือไม่พอใจเราค่อยแอบรู้มันบ้างแอบรู้มันบ้างอย่าปล่อยให้มันโกรธฟรีๆคิดฟรีๆทุกฟรีๆขอรู้สักหน่อยช่วยมันได้ผ่อนคลายในตัวเองมั้งถ้าใครมีสติไปการทํางานเนี่ยความผิดพลาดจะไม่ค่อยเกิดขึ้น แล้วก็จะสามารถทําให้จิตใจเนี่ยมันผ่อนคลายลงได้มากเลยแทนที่จะโกรธเต็มร้อยท่านมีสติเนี่ยแบ่งคนละครึ่งแล้วสติเอามาห้าติ๊โกรธเราไปห้าติ๊ถ้าฝึกบ่อยๆนี่โกรธเหลือแค่ติดเดียวถ้าฝึกจนชํานาญเนี่ยพอโกรธปักดับทันทีเลยจิตวิมันเนี่ยต้องใช้โดยเฉพาะคนที่ติดอารมณ์ติดอารมณ์เนี่ยพอติดนาเข้ามันติดตกได้เหมือนกันนะบางคนซึมเศร้าติดตก ถ้ามีสติพวกนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกมันต้องอยู่คนละด้านกันคนที่ติดอารมณ์ถ้ามีสติเท่าน่อยมันก็ออกจากอารมณ์ได้ยิ่งการรู้กายชำนาญเน็ตถ้าออกจากอารมณ์ไม่ได้เนี่ยกลับมารู้กายมาสนใจที่กายมาเคลื่อนไหวไว้อย่างเวลา ง, ง่วงเนี่ยโอ้กำลังจะไปของมตบหนะ้อาอ้ากลับมาลุหน้าเราตบยังไงเดี๋ยวมันก็ตื่นเรามีกายเป็นหลักเนี่ยออกจากอารมณ์ได้นะคนนอนไม่หลับเนี่ยผมเคยนอนไม่หลับมาก่อน น้อไม่หลับไม่ใช่ว่าปีกาแล้วเราไม่หลับเพราะมันคิดคิดคิดให้มันหลับมันก็ไม่หลับทำไงนี่ยเอากลับมารู้กายมาเพลินที่กายมันก็หลับแบบไม่อยากตื่นเนี่ยมารู้กายขึ้นมาใช่ไหมมันออกจากอารมณ์ได้เมื่อเรามารู้กายอย่างที่พระอาจารย์สอนยกมือนั่นก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่ยกมืออย่างเดียวนะเราสามารถที่จะถูนิ้วมือเล่นอย่างผมนี่เมื่อก่อนยกมือไม่ไหวทําไงเวลาเราเจอสติ ก็มาดูลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจมีการเคลื่อนไหวไหมมันเคลื่อนไหวเคลื่อนคร่าวขึ้นออกก็รู้ตอนที่มันเคลื่อนที่นอนกระพริบตาเล่น<ม>เอยาบทเ บ, ille, บาๆ เ, เรามีการเคลื่อนไหวได้น้อยเนี่ยขาก็เคลื่อนไหวไม่ได้มือเมื่อก่อนก็ไม่แข็งแรงนิ้วมือก็กระดิกไม่ได้ก็นอนกระพริบตาเล่นรู้สึกตัวกับการกระพริบตามันก็เบานี่ก็ยักเขี้ยว ตอนแรกว่าสองข้างเนีสองข้างเปลืองพลังงานเอาทีละข้างดีกว่าสติได้สองด้านเลยนะโอ้นอนเล่นมันก็ตลกดีนะมันก็ไม่ง่วงก็ทําอะไรตลกดีน้องเข้ามาเห็นนะพี่ทํำไรอ่านอนอยากคิวเล่นอะไรที่มันทํายากๆสติสมาธิมันมากเลยเกินพยายามไล น, นะก็ทำไงได้มันช่วยไม่ได้นะเคลื่อนไหวได้แค่เนี้ยก็สายแค่เนี้ยมันก็ใช้ประโยชน์มันต้องหาเรื่องเคลื่อนไหวพอผมนี่พับไว้อย่างดีเอาจับมาคลี่แล้วก็พับอย่างช้าๆ พอเสร็จเอาลี้ใหม่พักอีกมันเหมือนคนบ้าแต่มันก็ได้สติมันอยู่กับตัวเราออกจากอารมณ์ได้เนี่ยวิธีง่ายๆแล้วยิงยย่งอย่างญาติธรรมเนี่ยเคลื่อนไหวได้มากกับผมอีกต้องออกจากอารมณ์ให้ได้อย่าน้อยเครียดตรงนี้เอาลุกไปเปิดหน้าตามมันก็หายแล้วเครียดที่หนึ่งเอาุกไปดื่มน้ําเข้าของน้ําแบบไม่มีผลก็ได้เดี๋ยวไปเปิดตู้เย็นไว้ก่อนหมายรู้ว่าไม่ได้กินอะไรเปิดไว้ก่อนแล้วก็ปิดต้องตามรู้เลยนะไม่ใช่ว่าเครียดตรงนี้ เกิดไปเปิดตังนู้นแต่ก็ไอความเครียด อ, อยู่ยังส่งใจไปเครียดเหมือนเดิมไงสติตามรู้การเดินเข้าห้องน้ําอย่างมีสติกับการเดินจงกรมอย่างมีสตินี่มันไม่ต่างกันหรอกเอดีเข้าห้องน้ํำมีสติดีนะมันต้องรีบไปที่เดินจงกรมมันก็เลินทุกครั้งที่เราใช้ชีวิตถา้ามีสติตามรู้เป็นการปฏิบัติทําได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องไปวัดทุกครั้งที่รู้สึกตัวว่าการมันเคลื่อนไหว รู้ว่าใจมันคิดนี่เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงสุดเลยเป็นการปฏิบัตินะแต่ผลยังไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกทาเหตุตรงนี้ก่อนแล้วเฉพาะคนที่ติดสิ่งเสพติดเนี่ยโอ้โหทัศนตุเนี่หลุดทันทีเลยติดสิ่งเสพติดติดบุหรี่ติดสุราติดเล่นการพนันติดเกมความติดมันเกิดจากความคิดใช่ไหมเลิกจากความคิดเนี่ยถ้ามันคิดปั๊บ ถ้าเราทำตามความคิดมันก็ต้องเสพใช่ไหมเสพพอเสพแล้วมันก็ติดพอติดแล้วมันไม่ใช่เลกนะมันก็ต้องกลับมาเสพอีกถ้าเรามีสติมันคิดอยากจะเสพไม่ทำตามมีสติรู้ในความอยากความอยากมันก็หายไปมันตัดตรงที่ความอยากด้วยสติเลยแล้วสิ่งเสพทีทุกอย่างนี่มันหลุดตรงนั้นหลุดเพราะสติรู้ทันอบัยวต่างๆนี่มันเสพสติทั้งนั้น สามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประมันมีมากกว่านี้อีกลองเอาไปใช้ดูหลายคนก็ได้ผลมิ่งมากๆผลที่เป็นไมเกรนคิดมากมเครียดพอเจอสติเนี่ยไม่ต้องทานยาเลยไม่ต้องทานยามันก็หายได้เพราะฉะนั้นลองตรงเราไปฝึกดูนะเนี่ยอาศัยรูปแบบการปฏิบัตินี่แหละค่อยๆเป็นค่อยๆไปขอให้เรามั่นใจแต่ว่าการเจริญสิบในชีวิตประมันเนี่ยทําได้ต้องเปิดใจนะ ต้องเปิดประตูใจว่าทําได้ถ้าบอกทําไม่ได้เลยมันก็ลองจะไม่ได้ทำอ๋อทําได้วิธีการเจรรติแบบเนี้ยสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็สามารถดับทุกข์ได้เราต้องมั่นใจแล้วคนที่ทําได้แล้วมีหลวงพ่อเทียนก็ทํามาแล้วก็ได้ผลแล้วผมก็ได้พบกับยายที่ทำที่ปฏิบัติแบบเนี้ยได้ผลทั้งร้ายคนจติแบบเครื่องหมายแบบเนี้ย แกปัญหาชีวิตได้เยอะเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ก็มีมากที่สําคัญสุดคือเราก็ทําได้มั่นใจเราทําได้ถ้าเรายังมีกายเคลื่อนไหวและมีสติรู้ได้อยู่แล้วก็มันได้ทั้งนั้นแหละขนาะกายผมเคลื่อนไหวได้หมดจังทาได้เลยต้องมั่นใจนะวันนี้มาก็ลําบากมาถึงก็ไม่ได้พักอุตส่าห์มาให้กําลังใจเนี่ถ้าคนที่มีร่างกายเป็นปกติไม่เห็นใจแล้วก็ มันก็ใจดำเกินไปแล้วเห็นใจคือลองเอาไปไปฏิบัติดูอย่าเพึ่งเชื่อแต่อพิ่งปฏิเสธนะลองพิจารณาแล้วลองทําดูถ้ามีปัญหา ย, ยัางไงก็ยินดีที่จะเป็นกลัลยาณมิตรไม่เอยากถามอะไรไหมพอดีครับพอดีอยากจะถามว่าบางทีเป็นคนฝึกสติครับก็คือเกี่ยวกับดูจิตนี่แหละแต่ว่ามันจะอยู่ในอารมณ์สุขแบบนานๆ น, นะครับมันจะจมแช่มันจะอยู่ตรงนั้นอนะ บางทีก็จะไม่รู้ว่าจะออกมายัางไงครับก็คือจะอยู่ในอารมณ์สุขอารมณ์ปีติอะไระจะอยู่มันอย่างเงี้ยตลอดเลยบางทีแทบทั้งวันก็จะไม่ค่อยได้มารู้สติก็จะรู้ได้น้อยก็คือมันจะไม่เกิดปัญญาครับก็ดีแล้วนะปฏิบัติธรร ม, มันต้องมีปิติอย่างนี้แหละเป็นทางผ่านมันจะได้ไม่แห้ง แ, งแล้งทุเละจะต้องมีปีติปิติเกิดจากอะไรเกิดจากใจที่มันสงบใช่ไหมพอ ม, มันสงบแล้วเนี่ย พันาำให้เกิดปีเตะเกิดสุขเรารู้ไหมว่ามันเป็นปีติเป็นสุขรู้หรือเข้าไปอยู่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นที่จิตเราลองรู้ว่าอ๋อนี่ถ้ามันออกไม่ได้นะเทคนิคเรากลับมารู้กายเรามารู้กายไม่ใช่ลังเกียดนะคือต้องการที่จะรู้สึกตัวให้มันมากยิ่งขึ้นถ้ารู้ปิติแล้วบางทีมันหลงเพลินไปเราไม่ได้รู้แล้วเราเข้าไปอยู่กับมันกลับมารู้กายกัแล้วคอยสังเกตดูสังเกตดูจนกว่าจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมา ถ้าเกิดติตผู้รู้มเมื่อไหร่แล้วก็เราจะเห็นว่าปิติส่วนหนึ่งและจิตผู้รู้ในปิติส่วนหนึ่งมันจะมีหลักในการดูมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราต้องอาศัยเบื้อติดตรงนี้ก่อนทุ่กว่าจะทํานานลองดูนะลองทําดูต้องลองนะการปฏิบัติเนี่ยต้องลองผิดลองถูกต้องกล้าได้กล้าเสียครูบาอาจารย์หรือตาําราพูดไปถูกแล้วแต่นั่นของเขาของตําราเขาและของเราอ่ะมันต้องลองด้วยฝี ม, ม้อและมือของเราบ้าง ลองออกดูไม่มีใครรู้จักตัวเราเท่ากับเรารู้เรา ล, ล, ล, ลองทําดูแก้ความง่วงเราแก้ดูสิบางทีก็จะเป็นพวกนิมิตอะไรต่างๆเลยครับก็จะไปไปเพ่งดูครับก็จะไปเพ่งดูไปแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็มันก็จะแบบหลงไปหลงไปแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นนานจนบางทีก็จะแบบหันอะไรเงี้ยก็จะถึงจะหลุดออกมาครับถึงจะมารู้ทีหนึ่งก็บางทีก็นานนานนะครับการปฏิบัติเนี่ย มันจะมีสองอย่างคือสติหรือจิตผู้รู้กับสิ่งที่มาให้รู้แต่า ก, กายเคลื่อนไหวเนี่ยคือสิ่งที่ให้รู้แล้วก็มีจิตผู้รู้ไอ้สิ่งที่ไม้รู้เนี่ยไม่สําคัญหรอกสำคัญที่เรารู้อย่างไรแล้วสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยบางทีมันหลอกลวงมันเชื่อไม่ได้บางทีเราเห็นจริงนะแต่สิ่งนั้นบางทีมันไม่จริงก็ได้ถูกไม่มร่างกายปฏิบัติเนี่ยเพราว่าผู้ที่เข้าไปรู้เนี่ย ตรงนี้สําคัญมากต้องรู้แบบเป็นกลางกลางถึงจะรู้ของจริงรู้แบบเป็นกลางกลางสักว่ารู้แบบไม่ต้องไปรู้อะไรไม่ต้องไปเอาความหมายหรือว่าเออรู้ก็พอแล้วเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่พัฒนาสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่พัฒนากายมันแข็งแรงหรือให้เดินสวยหรือเห็นรู้เห็ น, นี้ไม่ใช่พัฒนาว่าผู้รู้เนี่ยมันเป็นกลางไหมถ้าไม่กลางนี่ก็ใช้ได้แล้วสิ่งที่ถูกเห็นน่ยไม่สำคัญ แค่มันผ่านเลยไปทําไมมันจะเกิดขึ้นเพราะเราให้ความสําคัญมันคนที่เล่นหวยเนี่ยจระสติเนี่ยหูมันจะมีหวยมาในนิมิตหลวงว่าเตียนเนตรจระสติเนตรโอ้มีเลขหวยขึ้นมาถ้าเราเท้าชี้เลยอันนั้นไม่จริงส้นติงกูจริงกว่าอันนี้จริงกว่านะไม่จริงมันก็หายไปเลยมช่ไหมอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในจระสตินะีน่ะอันนั้นคือสิ่งที่หมาหเห็นอาจจะไม่จริงก็ได้ กรรมเกาดีต่างๆก็มาจากนี้ทั้งนั้นมาจากไอ้ความคิดต่างๆที่เราเคยสะสมมาสติมันก็รู้ได้ก็เราจะเชื่อตัวไหนอ่ะเชื่อตัวผู้รู้หรือเชื่อสิ่งที่ถูกรู้หลังการปฏิบัติธรรมการพัฒนาจิตให้มันรู้มันเจริญไม่ใช่พัฒนาสิ่งที่ไม่รู้รูปแบบจริงจําเป็นในบางช่วงแต่ต่อไปก็ไม่ต้องใช้เพราะไม่ใช่สิ่งทำให้ประโยชน์กับเราเมื่อเรามีเครื่องมือเราแล้วก็ใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์ เดี๋ยวคำถามหนึ่งครับก็คือจะถามเรื่องเกี่ยวกับต้องทํางานแล้วก็จะต้องดูแลคนนะครับก็คือจะจิตก็จะเกิดบางครั้งก็จะมีอารมณ์โมโหอารมณ์อะไรต่างๆเพราะต้องคอยดูแลลูกน้องดูแลอะไรต่างๆเงนี้ยจะนี้จะต้องเจริญสติยังไงครับพอเจริญได้เยอะแยะเลยอารมณ์ให้รู้มากมายการที่ดูแลคนเนี่ยเป็นบุญอยู่แล้วดีแล้วทําด้วยความเต็มใจด้วยความตั้งใจเห็นประโยชน์ของงาน เราก็จะดูแลคนได้ด้วยจิตใจมันเป็นสุขเป็นปกนติแล้วถ้าดูด้วยความเบื่อหน่ายทนธรรมนี่สติมันก็จะไม่ค่อยเกิดมันจะมีแต่วความฟุง้งซ่านเริ่มต้นในการดูแลด้วยจิตใจที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลซะ ก, ก่อนเห็นไหถ้าบุญกุศลเกิดขึ้นเนี่ยสติมันก็จะมีสมาธิมีสติมากขึ้นกว่าเดิมแล้วอารมณ์ที่หมาหเราดูเนี่ยโอ้โหมากมายเลยดูคนอย่าลืมดูใจเรา ล, ล่ะเข้ามาทําให้เราเกิดมีอารมณ์ให้การไปฏิบัติมากมาย ให้เราตั้งใจที่จะ ร, รู้สึกตัวไปบ้างไอ้ที่ดูแล้วมีปัญหาเพราะว่าเราไปกับความคิดไตกับอารมณ์มากมายมันก็เลยมีปัญหาเราเองก็ยังไม่แน่งใจเราไปดูคนอื่นบานทีเราก็ไม่แน่งใจเรารู้จักยอมรับแล้วก็อย่างน้อยเวลาโกรธก็ต้องรู้บ้างอ๋อนี้เราโกรธแล้วก็ยังดีนะเก็บเกี่ยวอารมณ์ได้เป็นบางโอกาสก็ยังดีดีกว่าหลงตลอดเวลาค่อยเป็นค่อยไปขอบคุณครับ <laughs> ขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่าอาจารย์ใช้เวลานานสักเท่าไหร่คะในการฝึกจนกระทั่งเกิดความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกตัวจริงๆนะคะก็ประมาณเดือนหนึ่งหเดือนกับการเจริตละติที่บ้านไปไหนไม่ได้นะมีน้ําท่วมรอบบ้านน้ําท่วมนะปีสามแปนี่เอาละมันไปไม่ได้กว่าเวลานแล้วอยู่ที่บ้านแล้วก็นอนเจริญสติไป เน่นอนพิกมือเนี่ยนอนพิกมือวันลา6กวันละเจ็ดชั่วโมง8ดชั่วโมงนอนพลิกเนี่ยมือขวามัง่งนอนจนแขนซ้ายเนี่ยกชํานาเเลยนะเมื่อก่อนยกไม่ขึ้นพลิกไปขวาบ้างซ้ายมัง่งแล้วก็ใช้กับเวลาบทต่างๆดูตัวเราก็เห็นจิตเห็นความคิดหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ใช่หนึ่งเดือนมารู้ธรนะหนึ่งเดือนเริ่มรู้ทำรู้ทางอย่างไร ม, มารู้รำ แล้วทราบได้ยังไงคะว่าคือตอนที่รู้สึกตัวขึ้นมาว่ามันเป็นความรู้สึกตัวจริงๆอะคะอ๋อนี่มันมีเหตุการณ์นะสภาวะธรรมจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอาการให้เรารู้เลยว่ามันเกิดอะไขึ้นขณะที่กําลังนอนพลิกมือเล่นเนี่ยอาทิตย์แรกนะยังไม่รู้อะไรเลยอาทิตย์แรกเนี่ยโอ้ปรุงแต่งคิดฟุ้งซ่านเนี่ยเรามีครูบาอาจารย์แล้วเราต้องมีโอกาสที่จะค้นทุกแน่นอนเลย มือก็พลิกไปใจก็คลิกคกกรูบาอาจารย์หลวงพ่ออมเขียนนี่ยเมตตากับเรามากถ้าเป็นถึงพระครูนะถ้าอุตสาวเขียหมายตอบเรานอนพลิกมือเป็นภาพท่านหันหลังให้นอนพลิกมือทัานก็หันท่าน ก, ก, ก, ก็หันมาเราก็เราไม่เคยหน้าหลวงพ่ออมเขียนเลยหันมาหันมาท่านชี้หน้าให้รู้สึกตัวสะดุ้งเพื่อโอ้โหนี่เราหลงไปตั้งนานนะไม่นอ้ออาทิตย์แรกนี่หลงเยอะเลย อธิติต่อในเริ่มเริ่มตั้งใจเอาละก็จะตั้งใจทำโอ้ตั้งใจเพง่งไปในมือมันไม่อยากคิดไดละอะไรก็ไม่เอาเอาทุกอย่างเลิกทุกอย่างหันมาพิกมือเจตนารู้เพง่งดูมันดีนะสงบเงียบแต่มันเครียดมากเครียดไม่ใครอยากจะคุยใครไม่ใครอยากจะมองหน้าใครกลัวธรรมะจะหลุดแล้วเพ่งแล้วมันก็เครียดคือมันเข้าไปเลยอันแรกคือหลงไอ้สองอันเพง่ง มันเริ่มหย่อนข้างตึงข้างเอ้ยมันก็ไม่ถูกนะก็ทําไปเรื่อยก่อนทําไปมีอยู่ครั้งหนึ่งพอเราทําไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรามันเหนื่อยมันเครียดเริ่มเห็นเวทนาเนี่มันเครียด เ, ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรไอ้ทุกข์ที่กายพิการเนี่ยมันเลิกไปแล้วลืมไปแล้วมันมาทุกแบบใหม่ทุกเพราะการปฏิบัติทุกกว่าทุกละเอียดกว่าปฏิบัติไปมันทําไมถึงเครียดแบบนี้แล้วก็หยุดหยุดรู้สึก ให้มันเคลื่อนไหวไปหยุดรู้พอเราหยุดรู้เนี่ยมันถึงไม่ได้หยุดปฏิบัตินะหยุดรู้หยุดที่จะเข้าไปเพ่งมันเนี่ยหยุดรู้เฉยเนี่ยมันมีเพราะว่าเมื่ออย่างกับเราเนี่ยถอนออกมาจากการเคลื่อนไหวของกายพอถอนมาเลยกายเป็นผู้ดูจิตมันก็ผ่อนคลายเอ้ยไอ้กายเคลื่อนไหวนี่มันไม่ใช่เราเนี่ยพอถอนเป็นผู้ดูเนี่ยกายเป็นผู้ดูกายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกรู้อยู่ข้างใน เกิดเพราะว่ารูปนามขึ้นมาเพราะก็ยังไม่เชื่อเอาทำให้ก่อนนทำก่อนนี่มันคิดเอาหรือเปล่ปาทำํำไปก่อนทะไรก่อนจ น, นเกิดความมั่นใจมันโคลสภาวะการเคลื่อนไหวอยู่ภาวะนี้จิต ท, ที่รู้อยู่ภาวะนี้นก็เราออกจากความพิการได้ตรงนั้นว่าเราไม่ได้คนพิการละจิตเรามันออกมาจากภาวะแบบนี้แล้วจิตมันเริ่มผ่อนคลาย คือเราจากตอนที่เริ่มรู้กายไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วมันไปสู่สภาวะของการรู้จิตยังไงฮะหรือว่ามันเป็นไปเองคะเป็นเองมันเกิดจากเวทนาที่เกิดขึ้นเราเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายพอเราวางไม่ใช่ว่าเราเห็นกายส่วนหนึ่งแล้วเราเห็นเวทนามันติดอยู่กับกายเวทนากายมันติดอยู่กับกายความพิกายอยู่กับกายสิวป้าต่างที่กายดังนั้ น, นไม่ใช่อยู่ที่เราเสร็จ แ, แล้วมันจะมีความคิดอีกอย่าง คิดที่มันต่อจากทุกเวทนามันน่าจะหายนะมันน่าจะเดินได้อนะอ๋อนี่มันมีความคิดน้อยๆมาก่อบคิดน้อยๆยังไม่เท่าไหร่นะเนี่เราต้องรีบปฏิบัติมันจะได้พ้นทุกรีบบวชลืมไปว่าคนพิการเขาไม่ให้บวชอ๋อมันความคิดอยากพ้นทุกมันรุนแรงมากนี่คือความคิดซึ่งไม่ใช่จิตผู้รู้และมาจากไหนอ่ะก็ไม่ไสแสวงหาแล้วก็ทํำไปเรื่อยมันออกมาเรารู้เอง เห็นความคิดออกมาจากกิตผู้รู้โอ้เนี่มันคือความคิดอยากไปก่อนคือความคิดออกมาจากทุกขเวทนาของกายแล้วก็ออกมาจากความอยากของเราอยากบรรลุธรรมเนี่ยดูดีๆเถอะจะเห็นธรรมะตรงอยากบรรลุธรรมถ้าอยากบรรลุธรรมแล้วก็จงวางความอยากบรรลุธรรมซะท่านก็จะบรรลุธรรมตัวเนี้ยตัวกําแพงขวางกั้นอยากบรรลุธรรมแต่ไม่ขยันบรรลุไม่ได้หรอก ก็เห็นอาการของความอยากที่มันเกิดขึ้นมาอยากพ้นทุกข์ขณะปฏิบัติมันก็ไม่มีทุกข์แต่พอเกิดความอยากปั๊บมันมีทุกข์ตอนี้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีชีวิตใหม่อย่าไปเชื่อในความอยากซะแม้แต่อยากดีถ้าจะทําก็ทําไปดีอย่าไปเกิดความอยากขึ้นมามันจะมีการปรุงแต่งมากมายแล้วก็ไม่ได้ทําในเรื่องของจิตนะถามอีกข้อหนึ่งนะคะไม่ทราบอาจารย์ไหนหรือยังอคะคือจะถามว่า เมื่อตอนต้นนะคะที่อาจารย์พูดถึงคนที่ติดเรื่องต่างๆนะคะเช่นติดเกมหรือว่าการพนานอะไรอเงี้ยค่ะแล้วถ้าเขามาฝึกรู้กายเนี่ยจะสามารถที่จะหายจากตรงนั้นได้คืออยากให้อาจารย์ขยายความตรงนี้หน่อยนะคะเราติดอยู่ที่จิตใช่ไหมล่ะเนบุหรี่เนี่ยกายไม่ติดหรอกแต่ากายอ้าไว้ในบุหรี่มันไม่ไม่อยู่หรอกถ้าไม่จับก็ไม่ได้สูบอันที่ติดเพราะความคิดมันติด มันเริ่มจากความคิดที่เกิดความอยากก็เลยทําให้กายต้องไปทำํำหลายๆอยา่างการไม่ชอบหรอกเกิดมามันไม่เอาบุหรี่ฆ่ามาด้วยแต่ตัญหามันส่งมาให้รานั้นมันเริ่มต้นที่จิตดังนั้นสำคัญที่จิตเริ่มจากจิตการจริสติเนี่ยเป็นการฝึกที่จะรู้เท่าทันจิตใจโดยตรงเลยไม่มีอาวุธใดที่จะรู้เท่าทันจิตใจได้กับสติถ้าฝึกสติบมากๆสิ่งนี้ก็จะหลุดล่วงไปแต่สำคัญที่ว่า เขาอยากจะออกจากอารมณ์แบบนั้นไหมอยากจะออกจากสิ่งเขาเสพติดไหมอยากจะออกจากเกมไหมอยากสักติอร์เซนหรือไม่อยากสักเก้าิบางทีอยากนะแต่ว่าไม่พยายามทำมันก็ไม่หลุดออกม า, มาแล้วมันต้องมีความพอใจที่จะออกแล้วก็มีความเพียรที่จะออกแล้วต้องมีใจจดจ่อที่จะออกจากสิ่งนั้นแล้วต้อง่อยกวนให้เป็นอิธิบาทสีแล้วก็มันหลุดออกจากทุกอย่างอิธิบาทสีไม่ครบ พออยากปั๊บไม่เพียงพอไม่เพียงมันก็ไม่มีการจดจอ่อแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรมันก็ได้แค่อยากความอยากนั้นไม่ยากแล้วขอบพระคุณมากค่ะฟรีเดเต่รอาจารย์ค ะ, อคะขอรื้อถามตอบจากคนเมื่อกี้นิดนึงนะคะว่าถ้าจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้คนที่ชอบเสพมากลายเป็นไม่เสพเนี่ยคือว่าคนที่ติดอะไรจิ๋เกมติดการพ น, นันเนี่ยค่ะสบายเขาจะเรียสติเนี่ยแต่เขาไม่มีความรักหรือความเพียรที่อยากจะออกจากตรงนั้นเนี่ย มันก็ยากมากจริงๆเลยเราจะบอกถึงโทษยังไงก็ก็ไม่สนเน่ยแต่เราก็อยากจะช่วยค่ะท่านอาจารย์น่จะช่วยยังไงคะก็มีครูก็บอกว่าใช้เด็กปฏิบัติธรรมได้อย่างไรเด็กพู้ถึงธรรมะมันก็หลับล่วงหน้าแล้วเราต้องมีอุบายการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ต้องมานั่งยกเบืออย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหลับตาสมาธิไม่ใช่เราใช้ธรรมชาติของเขามาปฏิบัติตัวเขาก็ได้ เขาชอบวาดรูปให้เขาวาดรูปอย่างมีสมาธิก็ทําได้ให้เขามาใช้ชีวิตอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกมไปสิ่งอื่นที่ทําด้วยมีสติผูกพันเราอยากใช้ลองไปเล่นกีฬาดิกีฬานี่ถ้าไม่มีสมาธินี่มันเล่นไม่ได้มันกันนะดนตรีร้องเพลงผู้นี้ใช้สมาธิช่วยทั้งนั้นแต่เราสามารถอาศายัยอารมณ์ที่เป็นกุศลนั่นหน่อยคือเปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์สังนั้นมาทําอารมณ์ใหม่อย่าง ผู้สูงอายุไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมท่านไม่ชอบปฏิบัติธรรมไม่เป็นไรพาไปวัดไปดูเจดีดูดูโบสถ์แล้วค่อยไปทางหลังวัดดูพระเขาสอนกรรมฐานาดูค่อยๆหลอกไปข้างหน้าแล้วก็หาข้างหลังข้างหน้าเป็นสิ่งหลอกสมมุติแต่ข้างหลังนั้นของจริงมีป่าชา้ามีอะไรเนยค่อยๆนําพาไปเพื่อจูงจิตให้เป็นในส่วนที่สูงขึ้นสูงขึ้นได้เด็กติดเกมเอา้าพาไปเล่นกีฬา พาไปเที่อวภาพอะไรให้ออกจากอารมณ์นั้นก่อนให้ไปติดอารมณ์ใหม่แต่เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนั่นหน่อยนะไม่ใช่นิดจะเกมไปติดสิ่งอื่นไปติดทินเนอะร์พยายามชักจูงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยสามารถเจริญสติได้ทั้งนั้นถ้ามีการเคลื่อนไหวมีการรู้แล้วก็ใช้ได้แต่ข อ, อย่าย ใ, ใช้เป็นกิจกรรมที่ต้องมีความคิดมากๆถ้ามีความคิดมากๆเลยสติมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นอย่างเวลาเราง่วงนอนเนี่ยง่วงนอนนะ วิธีแก้ง่วงนอนถ้ามันวิธีไงไม่หายหยิบไปกวาดกวาดพื้นผู้หญิงก็ชอบทํางานทําเพลันกับงานทั้งวันมันก็หายงว่วงมันเบื่อมันเซ็งมันเครียดไปทำถึงที่เราชอบคนชอบต้นไม้ก็ไปปลูกต้นไม้อย่างมีสติอยู่กันมันก็พลากจิตออกจากอารมณ์ที่เรามันําเจได้เปลี่ยนไปเราก็ใช้สติตามรู้ไปสิ่งอย่างผมเนี่ยปฏิบัติในง่วงนอนทํำยังไงลุกไปได้จงกลมเหรอไม่ได้ได้แต่พลิกซ้ายพลิกขวา บางทีง่วงทางซ้ายนะพลิกไปทางขวาอมเข้าทางง่วงก็มีนะต้องมีอุบายทำตาโตๆอมมองลอดต่างไปมองไกลๆไปเหยยดระดับสายตาสบานก็หายง่วงนั้นต้องรู้จักเป็นจักแก้ไขจะถามอาจารย์นะคะก็มีอยู่วันหนึ่งอะคะ่ะที่วันนั้นคือหนูมไม่สบายแล้วปวดหัวะะ่ะแล้วคือก็ทานยาเราก็เลยก็เลยนอนและดูความเวทนาเฉยๆอะคะ่ะ ก็คือพอนอนดูไปสักพักนี่เราจะเห็นกายและเราเห็นความปวดแล้วถ้าเราเห็นว่าถ้าสมมุติถ้าเราจิตเนี่ยไปจับกับความปวดเนี่ยมันจะปวดมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยถอยออกมาถอยออกมาดูมันถ่างขาและเสร็จแล้วจะเห็นว่าความปวดเนี่ยมันจะน้อยๆแล้วมันขึ้นสุดพีคสุดๆแล้วมันค่อยๆผ่อนลงมามันก็สูงขึ้นแล้วมันก็ต่ําลงมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหายถ้าพอมันหายหนูก็สบายใช่ไหมคะแล้วหนูก็หลับไปเลย ค่ะแล้วก็หนูกก็เลยจะถามว่าการที่เราเหมือนกับว่าเอาจิตออกมาตัดเวทนาเนี่ยมันเป็นการเห็นที่ถูกต้องหรือเปล่าคะอาจารย์ก็อนุโมทนาปฏิบัติเป็นแล้วอนุโมทนาหน้าน่ยปฏิบัติเป็นแล้วล่ะถ้ารู้แล้วก็จิตมันผ่อนคลายได้หลับได้แบบใช้ได้ถ้ารู้ยิ่งรู้ยิ่งปวดเนี่ยมันไม่ใช่มันค่อยเป็นผู้ปวดถ้ารู้มาจิตออกมาเห็นความปวดแล้วจิตผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ก็ถือว่าปฏิบัติกฤุติเป็นแล้วเวลาที่หนู ป่วยอย่างเงี้ยหนูจะใช้วิธีเนี้ยค่ะเข้าไปดูแต่ถ้าเราอาจิตไปแช่กับความปวดเนี้ยเราจะเห็นจิตเราเข้าไปป่วยกับมันด้วยมันจะเห็นความปวดขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ถ้าเราถอนจิตออกมาเป็นผู้ดูเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นขึ้นลงลงของเขาสวิงของเขาไปเรื่อยๆแต่ความปวดมันก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่งมันจะอยู่ออกนอกๆอกก็ดูอีกหน่อยว่าผู้ดูมันก็หายไปได้เหมือนกันนะบางทีดูอยู่บางทีก็หายไปเฉยผู้ดูก็เกิดดับเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปทิ้งความปวดไปติดผู้ดู หนีผู้ร้ า, ายมาติดคอมบอนิทติดผู้ดูผู้ดูมันก็ไม่เที่ยมเหมือนกันก็ต้องดูไ่้ผู้ดูมันก็ไม่แน่นอนมันก็ละต้องจ้องอยากดีละดีละปฏิบัติดีละ